กอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัตนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกทุกคน การนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี่ไม่ต้องลืนหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอก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 ตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมคําสอนของสรวพุทธเจา้าจนจำได้หมดแปด0มื่นสี่พันธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายประพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผล เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติคำว่าธรรมปฏิบัติเมื่อท่านจะลู่นั้นไปหาสามมันเณรน้อยแต่เป็นพระอระหรันต ท่านแสดงในมิตรหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮียมีตะกูดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นเมโลเข้าออกอยู่หกโลกแล้วให้ปิดห้าโล ปิดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขดเข้าไปจอ ก, ก็จะได้เหี้ยได้ตะกวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุด จิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤรืหัดบันผัชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละ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 หลงไหลในโพธิะพเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะะทั้งหลายไม่ปิดไหลไม่สังวรระวังในอินทรีทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติ ่าปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจเลยไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมด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 จะไปจำแต่ว่าธรรมะธ ร, รมโมอย่างน้ำอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระประมัติมากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขันปริยัติธรรมคำสอนคำบอก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 ใจิตใจคนเหล่านี้เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงใจิตใจจริงๆแต่ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปลาสัยตาดูหูฟั ง, ลงหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย เพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทํา่อยปลาละเลย <c oughs> ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมัน่นขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวม พ่อแพ้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆ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 หลงไหลในโพธพภพหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไหรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่โยนในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคําสอนประพุทิเจ้าพุทธธรรมคําสอนของประพุทิเจ้านั้น คำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป็งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโชติพระวินัยพระประมัตถ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 นั่งเฝ้าตู้พระกายอยู่แต่ไม่รู้พระกายีรดอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินยัยสัพทุศาสนาคำสอนของสพุธติ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากิน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 ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสธพระธรรมอาลมเมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาผินิพพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปรารูปเขารูปคนรูปตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตา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 จิตใจที่มันอยู่ในล่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมาฐานไม่เห็นซากศพซากศพซา ก, ากผีดิบ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 ยังไม่ตายมันก็เกียมตายยังไม่เน่าไม่เปืยมันก็เกียมเน่าเกียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขาร น, นี้พระพุทธเจา้าพระองค์จึงเตือนไ ว, ว้ว่าโลคประขันนี้ก็คือว่าก้อนอสุพะคําว่าอสุพะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งาม เต็มโยในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอางอย่างไรก็ตามต้องกลองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสสวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสสวะถุกวัน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 นั่นเขาว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต <c oughs> ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสโลจักผิดโกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญ จิตใจนั่นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยาถากรรมนั้นนั่นแล้วเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไหร่ก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนานแล้วจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่า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 อยาได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจตใจเราผู้ภาวานาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเด ว, ว่าต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำ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 ภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในโลก ป, ประขันนี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชราความแก่มองให้เห็นพยาติความเจ็บไข้ได้ป่วยโยตลอดกาล เนกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของประพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่ า, วาท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกหนา เพมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าพรอนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตาย มีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยีิบัต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 จงพากันเล่งรีบรีบเร่งคำว่าเล่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาท ประมาทเลินเล่อเผลอเล่อลอยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไ ป, ดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เนื้อคอนมันกินไม่ได้ทำตาลากินก็ไม่ได้ ย่างไวเหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันลังเกียจมือแหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรื่องว่าธรรมเรื่องว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่า แต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมนละกิเลสความโลภ ก, ก็ไม่ออกสิลนห้าสินแปดสิน 8, สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่รักษาไม่ภาวันนาไว้คือว่าประมาตประมาตเลินเลอเผลอเลอลอยให้ชีวิต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 มือและให้เราคิดอัานพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าทรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จาจาคำสั่งคาสอนคาบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมละกกิเลสความโลภ ก, ก็ไม่ออก จากใจจากตายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติ เอามาแก้ไขพินิพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเรา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 บอกลั่งสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแกชรา ม, มันบอกไม่ฟังบอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาติโลคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้หละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโลกไม่มีโลกอะไรก็ตาม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 เมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เนา่ายังไม่ตายมันก็เนา่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือปิดบังไว้ปิดไห้บังไวหวห่อไห้หุ้มไววไม่พินิตพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาล้มหลงมัวเมา เข้าใจผิดคิดหลงไปแน่นั้นท่านจะให้นึกโยเสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้ออกมาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนะั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี่ตายไม่ว่าคารือหัและบันพาชิต เกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทนันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้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 ตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกรอดเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้าก็จมลงไปในน้ํามันดีอย่างไรกําหนดพิจรารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิต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 บางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าท้าไปเลยนั่นเพราะอะไรก็เพราะร่างกายสังขารรูปประขันอันนี้ มันมีชราพยาธิมรนาครอบงันงำอยู่ตลอดการเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไม่สบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไป มันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันละ ง, งับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระ ง, งับความเจ็บปวดมันก็ระ ง, งับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุด มันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังนุมไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอากอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากัน้นกางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็าตาม เป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัตและนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันสิ่งเห่านี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก่ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือท้าพยามาหากษัตร์ก็ตาย พระภิกษุสงสามมนเนรผ้าขาวนางชีลือสีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิ้เดือนจึงคลอดออกมา ยังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่วาวรรคพุโทโธในใจไม่ได้ที่เพึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นโูกก็เลยเลในโูกหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจะโมกดมจินลิ่มลิ่มรถก็โลเลกันทั้งนั้น ยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างย่างไปเลยทําอะไรก็ตกโยในอํานาจของกิเลสความโกรโธโพดทาอะไรก็ตกโยในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกโยในอวิชชาตัณหาจ็บไม่รูเจ็ดไม่โลเจ็ดหลง จิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กาเนิดเกิดมาดวงพระเทิจันทระจันมีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอด คนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพ โ, โทโธรมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุดาว่าไลายป้ายสีให้แกบุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้ นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภะตัณหาลอไปถึงไหนลอไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่ลอไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไม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 มีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนดังแสดงมาก็ช้มควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี